ทรงประชุมสงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันท h สักยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอวิกัลจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุดถอนจริงหรือท่านพระอุปนันท h สักยบุตรทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมฆบุรุษ